วัดทุกวันเ่ยหมอก็ยอมรับมาหมอบอกว่ายานเนี่ยเพียงแต่เป็นขมว่าเฉยๆมันไม่ใช่หายขาดต้องอาศัยการพักผ่อนถ้าพักผ่อนแล้วก็สุขภาพร่างกายปรับตัวมันก็หายได้ได้เร็วแต่ตามว่าเราไม่ได้พักผ่อนพอร่างกายไม่ได้พักผ่อน วัดมันก็เล่นงานไปเรื่อย เ, เพราะว่าร่างกายของเราอ่อนแอมาพิจารณาดูแล้วโลกทางโลกมนุษย์ทั้งมนุษย์ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะไหนแก่เจ็บตายด้วยการทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านให้เห็นโทษในการเกิดอีกเกิดออกมาแล้วเป็นยังไงก่อนที่จะเกิดเป็นยังไงขณะที่เกิดออกมา จากท้องแม่เป็นยังไงล้วนแล้วจะทุกข์ทางนั่นอันนี้พวกเราผ่านมาแล้วมันก็ได้จบไปมาเห็นแต่ความแก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บโ้วก็ตายแต่เห็นความเจ็บเจ็บกับแก่เนี่ยบางทีเป็นเด็กๆมันก็เจ็บได้มีฟันเป็นไข้เป็นหนาวเป็นไข้เป็นอะไรสารพัดอย่างเจ็บคือเวทนา แก่เนี่นค่อยแก่ไปเรื่อยๆสมัยก่อนก็เป็นเด็กต่อมาก็หนุ่มสาวต่อไปก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผมงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวหูตึงตาฝ้าฟังนี่นะบอกถึงความแก่ทั้งนั้นจากนั้นก็พอถึงแก่แล้วกันนะแก่ไปแก่ไปก็ถึงจุดจบของชีวิตคือความตายมนุษย์ของเรามันก็อยู่ในเพียงแค่นี้แหละ ถ้าเราพิจารณาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้คิดให้ดูพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโลกสันนิวาสเผาโดยเพลิงคือความแก่ความเจ็บความตายอยู่พวกเรายังเพิดเพลินเฮาอยู่เหรอพวกท่านทั้งหลายยังเพิดเพลินเฮาอยู่เหรอควรจะหาทางออก ทางออกคืออะไรพระพุทธเจ้าคนนีทางออกให้สิทางออกก็คือมักแปดเนี่ยหนทางที่จะออกจากทุกมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องตน้นมีสัมมาสมาธิเป็นสุดท้ายแล้วก็ต้องศึกษาต้องศึกษาให้รู้แนวทางเหมือนกับเราอยากจะทำนาทำไรทําสวนน่ะเราก็ต้องศึกษาเราจะทําสวนอะไร เราจะทํานาแบบไหนอันนี้เราจะปฏิบัติทำเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าได้ศึกษาที่ได้ประทานเอาไว้ที่ท่านได้แนะนําสั่งสอนเอาไว้ท่านสั่งสอนอย่างไรอันนี้พวกเราต้องศึกษาเมื่อศึกษาแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติกับ ต, บตนเองแต่มันก็ยากทําไมจึงว่ายากเพราะว่ามันสู้กับกิเลส มันฝืนกับกิเลสตัวเองจนถึงกับพระพุทธเจ้าทอพระทยในวันเดือนหกเพนพระพุทธเจ้าโดยตัดสรุจากนั้นท่านก็ได้สเสวยวิมุตติสุขที่ต้นโพเจ็ดวันที่ต้นไสรเจ็ดวันที่ต้นเกตเจดวันที่สามมุ จ, มจลินเจวันจากนั้นพระองค์ก็ได้เนึย้ยอนหลังว่าในวันตัดสรุนะ่ะในคืนตัดสรุนะ่ะ ในวันเดือนหกแพ่นนะโอโ้ใจของเราเนี่ยมันย้อนสอนมันทวนกระแสจริงๆถ้าเราจะไปสอนให้แก่โลกฟังชาวโลกเขาจะฟังหรือเพราะว่าธรรมะที่เราได้มาเนี่ยที่เราได้ตัดสรูรเนี่ยที่ที่เรารู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยเป็นธรรมะทวนกระแสของโลก โลกมันไหลไปตามกระแสน้ำน้ำ ม, มันไหลลงไปทางต่ำแต่นี้ธรรมะรมคำสอนมันทวนกระแสจิตใจจิตใจของเรามันชอบอะไรชอบกิเลสราคะความกำนัดยินดีโทสะชอบโกรธโมโหโทโซให้คนอื่อนเขาชอบโลกมีอะไรอยากได้ทั้งหมดแล้วก็หลงคือโมหะ ตัวนี้เนะี่ยมันหลงซะก่อนมันยังโลกมันยังโกรธมันยังรักมันยังชังมันยังเกลียดเพราะมีหลงเป็นพื้นฐานอวิชชาปัจจะยาสร้างฆาราเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงโค้นคว้าศึกษาเนี่ยอวิชชาปัจจะยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจะยาวิญญาณังคล้ายๆกับว่าอวิชชาเนะี่ยเป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าถึงโค้นไปถึงตัวอวิชชาไม่เลยจากนั้นเหมือนกัน พระพุทธเจ้าเนะี่ยอวิชานะคือแผ่นดินเป็นที่ตั้งเรียกว่าเป็นที่สิงสถิตอยู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงแต่นี่ยังมีอวิชชาตัววิชาเป็นพื้นฐานอยู่นะ่ยมันจะไม่รู้แจ้งเห็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ค้นคว้าศึกษาย้อนดูจิตใจของพระ อ, องค์สรุปแล้วก็คือใจของมนุษย์ชาติชอบไปในทางกิเลสกิเลสเป็นผู้ พานมผักดันไปความรักความเกลียดความโกรธความหลงความโลภอันนี้คือกิเลสในใจของมนุษย์ทุกหมู่เหล่าไม่ว่าตั้งแต่สัตว์ดิฉมันมีตัวนี้อยู่ในจิตใจตลอดตั้งแต่เกิดขึ้นมานะตั้งแต่วิญญาณเกิดแบบนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านเขาก็ถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่า วิญญาณเกิดมาจากไหนวิญญาณเกิดมาจากไหนอันไหนคือพ่อแม่ของใจใจเกิดมาจากอะไรพราะพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นอจินไตรมันตอบไม่ได้มันวกวนเวียนมันวกวนเวียนสรุปแล้วก็คือมันเกิดมาจากจากความโง่ผู้ได้เพียงแค่นั้นเกิดมาจากความโง่โง่แล้วมันมาจากไหน ถามไปเองมันก็ไม่รู้จะตอบยังไงอีกเหมือนกันเพราะว่ากินไตพูดได้เพียงแค่นั้นแต่มันเกิดมาแล้วเนี่ยจะแก้ไขยังไงจะปรับปรุงแก้ไขยังไงคือแก้ไขแค่ น, นี่แหละให้ชําระให้ใช้ตปะธรรมศีล ส, สมาธิปัญญาพยายามกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลเพราะเกิดมาแล้วจากนั้นก็ตัดสรุปธรรมบรรลุธรร ม, ร, ร, ร, ร, มรู้แจ้งเห็นจริงในธรรม เบื่อตายครไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าการพูดนั้นพูดง่ายแต่ที่จะปฏิบัตินั้นมันไม่ใช่ของง่ายจนถึงกับพระองค์ท้อพระไทยทอพระไทยในในการจะประกาศธรรมจนถึงมีพรมมาอาราธนาพรมก็คือเมตตาของพระองค์มาอาราธนาให้พระองค์แสดงธรรมพระองค์ก็ตัดสินพระไทไยว่าจะแสดงธรรม จะแสดงทําให้แก่ใครฟังเป็นคนแรกท่านก็คิดถึงดาบททั้งสองที่เคยสอนท่านมาจากนั้นท่านก็เห็นว่าดาบทมรณภาพไปแล้วท่านก็ไม่สอนคนตายนะท่นเลยไม่ใช่ว่าตายแล้วอยู่ไปอยู่ชั้นไหนท่านจะไปโปรดอีกไม่ใช่ท่านก็มเบนความคิดไปถึงปัญจวคีร์ทั้งห้าจึงได้ไปอบรมด้วยเทศให้ปัญจวคีร์ทั้งห้าฟังนี่แหละ สรุปลงตีว่าพระพุทธเจ้าทอพระไทยในการจะประกาศธรรมเพราะว่ากิเลส ข, ของมนุษย์ชาติชอบไปในทางที่ตัวเองชอบกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะแต่ธรรมของพระพุทธเจ้านี่ฝืนฝืนยังไงเรามาพิจารณาดูพระพุทธเจ้าฝืนยังไงก็ว่าฝืนฝืนะ่ะฝืนก็คือว่ามนุษย์ของเรานี่ว่าร่างกายของเรานี่เสร็จสวยงดงาม ตกแต่งให้เสร็จสวยงดงามผ ม, ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนของร่างกายเนี่ยว่าเป็นของเสร็จสวยงดงามแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายสังขารเนี่ยร่างกายของเราเป็นมนุษย์่ร่างกายของมนุษย์หรือของร่างกายของสัตว์ทุกอย่าง เ, เป็นของอัศวะปฏิกูลน่าขยะขแข็งร่างกายเราไม่ใช่ของเราปฏิเสธก้ะทั่งของเรา โลกทั้งโลกเขาบอกว่าเกิดมาเป็นของเราร่างกายเป็นของเราแต่พระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราบอกว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะมันบอกได้ไหมถ้าบอกไม่ได้ก็จะว่าเป็นของเราได้อย่างไรมันไหลไปตามสภาพของมันเพราะนั้นร่างกายสังขารตั้งแต่หัวจนเท้านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะทั้งที่เมื่อเราว่าไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเราสิ่งอื่นล่ะ ที่นอกเหนือจากร่างกายของเราไปแล้วเป็นของเราไหมแต่ขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะไปยึดส่วนอื่นว่าเป็นของเราได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจะ่างานเดีของเรานั้นก็คือถ้าเราไปยึดก็เหมือนกับคว้าน้ําเหลวไปอย่างนั้นอะแต่ตามเป็นจริงมันมันดับไม่ได้ขนาดร่างกายของตนเองก็ยังจะทิ้งอยู่แล้วเราจะไปยึดส่วนอื่นว่าเป็นของเราได้อย่างไรนี่แหละ ธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันทวนกระแสโลกอย่างที่ว่านะท่านให้เห็นร่างกายเป็นอื่นแต่ไม่ใช่ว่าพอเห็นเป็นอื่นแล้วจะไปฆ่ามันที่จะไปโดดเหวตายจะไปฆ่าตัวเองตายไม่ใช่อันนี้เราต้องรู้เท่ารู้ทันว่าร่างกายกับใจนั้นเป็นคนละอันกันเราควรจะทํำยังไงมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะเป็นธรรมมันจึงจะรู้แจ้งเห็นจริง อยู่ด้วยกันได้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยวิมุตติสุขเอาจนถึงวิมุตติสุขเลยว่างั้นเถะเพราะอะไรเพรานะพิจารณารู้รอบขอบชิดแล้วก็ปล่อยวางจิตใจก็หลุดพ้นเป็นวิมุตติสุขนะั่นเพราะฉะนั้นธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านให้พิจรารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นจริงอย่างไรก็ให้พิจรารณาอย่างนั้นนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะ มาพิจารณาดูแล้วมันเป็นอย่างที่พระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสจริงๆวง่างท่านร่างกายมันมันมีจุดจบคืออะไรอะไรคือความสุขอะไรคือแก่นสารของชีวิตชีวิตทั้งชีวิตแก่นสารจริงๆอยู่จุดไหนอย่างไรมันโดยมากมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งร่านเพราะนั้นให้พวกเราคิดให้พิจารณาทำจิตทำใจ พยายามฝืนถ้าไม่อยากทำคุณงามความดีก็พยายามฝืนทำแต่ถ้ามาจิตใจมันจะไหลไปทางต่ำก็ฝืนอยากไปคิดฝืนเอาไว้สู้เอาไว้นั่นแหละต่อไปก็จะเดินเข้าสู่มรรคาสูผลบัตรฉะนั้นขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะสัทยาจารยงโยมพระของเราทุกองค์ให้มุ่งมั่นในธรรมแนวทางคำสอนของ รูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนและให้ประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานยังคงเส้นคงวาถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกับไฟสมัยนั้นร้อนอย่างไรไฟสมัยนี้ก็ร้อนอย่างนั้นถ้าเขาเราไปจับมันก็ร้อนน้ําสมัยนั้นเป็นยังไงน้ําสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นมรรคผลนิพพานสมัยนู้นเป็นยังไงมรรคผลนิพพานสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้น เ, เพราะเหตุใดเพราะภูมีปฏิบัติ คนมั่งมีสีสุขในยุคสมัยนั้นเป็นอย่างไรคนยุคนี้สมัยนี้หาทรัพย์สมบัติก็มีเหมือนสมัยนั้นสรุปแล้วก็คือทรัพย์สมบัติไม่ได้ทิ้งหนีออกไปจากโลกมีอยู่คงเช่นคงว่ามักผลนิพพานก็เช่นเดียวกันมีแตนะ่คนขี้เกียจนะเอทรัพย์มันหมดเงินคําทรัพย์หมดเม็ดเพชรนินจินดามันหมดเพราะคนมันโง่คนไม่ฉลาดคนขี้เกียจ จะลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าว่าคนขยันแล้วย่อมหาทรัพย์ได้คนขยันก็ย่อมหาธรรมได้คนมีปัญญาคนขยันย่อมหาธรรมได้ธรรมเลยคือห ล, ลักเหตุผลธรรมเป็นที่พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วเป็นท้นทางพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิด น, นั่นแหะธรรมของพระพุทธเจา้ารับพรอนุมโมทนาให้พร